เราไม่ใช่พระเวสสันดร น, นะคราวหนึ่งของการออกวิเวกในป่าท่านไม่ออกฉันอาหารเป็นเวลาหลายต่อหลายวันเข้าจนเป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านถึงขนาดหัวหน้าบ้านต้องตีเกราะประชุมลูกบ้านพากันไปดูก็พบว่า ท่านอยู่เป็นปกติแต่ก็ดูซูบซีดผายผอมมากเหตุการณ์ตอนนี้ท่านเล่าว่ากระทั่งชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดูเรายังไม่รู้อีกว่าเจ้าของจะตายแต่ชาวบ้านเขารู้เขาตีเกราะประชุมเคาะก๊อกก๊อพวกลูกบ้านก็พากันมาประชุมใครว่ายังไง ใครเห็นว่ายังไงพระองค์นี้ที่มาอยู่บ้านเราเวลานี้มาได้หลายเดือนแล้วนะพระองค์นี้มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่มาไม่ได้เห็นมาบิทบาตหกวันเจ็ดวันด้อมดอมมาสักวันแล้วเงียบหายหายเงียบหายมาอย่างนี้ตลอดท่านไม่ตายแล้วหรอพวกเรา กินวันหนึ่งสามมือสี่มือ้อยังทะเลาะกันได้ทะเลาะเพราะไม่มีอาหารกินมันกินข้าวเปล่าเปล่าไม่ได้มันจะทะเลาะกันแต่นี่ท่านไม่เห็นกินเลยนี่ท่านไม่ตายแล้วเหรอผู้ใหญ่ บ, บ้านถามลูกบ้านถ้าท่านไม่ตายท่านไม่โมโหโทโสอยู่เหรอไปดูสิ เราก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาพระไม่กินข้าวเขาก็พูดขนาดนั้นละ่ะเราก็ไม่เคยเห็นพระไม่กินข้าวเพิ่งเห็นนี่แหละลองไปถามท่านดูสิแต่มีข้อแม้อันหนึ่งนะเขาก็ฉลาดพูดอยู่เวลาจะไปต้องระวังนะพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดานะ พระองค์นี้เป็นมหานะเขาว่าแล้วไปเดี๋ยวท่านจะเคกหน้าผากเอานะไปสู้ท่านไม่ได้ท่านจะเคกหน้าผากเอานะให้ระวังนะถ้าเป็นพระธรรมดาเราก็พอจะพูดอะไรต่ออะไรกันได้นี่ท่านเป็นมหาเสียด้วยท่านทำอย่างนั้นนี่นะเราไปว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ เดี๋ยวท่านจะตีหน้าผากเอาเขาเตือนลูกบ้านเขาพอมาถึงเราก็เอาจริงๆหลังไหลกันมานี่โอ้โหนี่มาอะไรนี่จะมาแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเหรออาตมาไม่ใช่พระเวสสันดร น, นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมาอะไรเขาก็มาเล่าตามเรื่องนี่แหละให้ฟัง มันก็มีอยู่สองจุดจุดหนึ่งว่าท่านไม่ตายแล้วเหรอถ้าท่านไม่ตายท่านไม่โมโหโทโสอยู่เหรอพอเขาพูดจบลงเราก็มีอยู่สองจุดเราก็ถามแล้วเป็นยังไงตายแล้วยังละ่ะเออก็ไม่เห็นท่านตายท่านยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ไม่เห็นมีอะไรหน้าตาย แล้วเป็นยังไงโมโหโทโสอยู่ไหมก็ไม่เห็นท่านโมโหโทโสท่านยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเอาละให้เข้าใจนะการอดอาหารนี่อาตมาอดไม่ใช่เพื่อฆ่าตัวเองนะอดเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งมันฆ่ายากกิเลสนี่มันอยู่ภายในหัวใจนี่ต้องใช้การอดอาหารช่วย แล้วความโมหโหโทสูก็เป็นกิเลสจะโมหโหโทสูไปหาประโยชน์อะไรมีเท่านั้นเหรอือมีเท่านั้นแหละไปไล่กลับยังไม่ถึงสิบนาทีนะไล่กลับ ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารในระยะที่ท่านยังคงออกวิเวกบำเพ็ญเพียรอยู่คือในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีอุบาสกมาพูดอวดภูมิต่อท่านอุบาสกผู้นี้เคยบวชเรียนมาก่อนหลายพรรษาและมีความรู้จบนักธรรมตรีจึงมีความคุ้นเคยกับชีวิตพระพอสมควร แกเห็นท่านอดอาหารมาหลายวันแล้วรู้สึกคัดค้านอยู่ในใจว่าไม่เห็นเป็นประโยชน์อันใดนอกเสียจากจะทำให้ทุกยากลำบากและเสียเวลาโดยเปล่าเท่านั้นเองวันหนึ่งแกเลยยกเอาเรื่องในพุทธประวัติมาพูดกับท่านว่า ท่านจะอดทำไมก็ทราบในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าอดข้าวตั้ง49วันก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยแล้วท่านมาอดอะไรมันจะได้ตรัสรู้หรือในเรื่องนี้ท่านก็เคยรู้เคยศึกษาในตำรามาก่อนแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้พระภิกษุอดอาหารเพื่อบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้แต่หากเป็นไปเพื่อการโอร้อวดท่านทรงปรับอาบัติทุกขณะการเคลื่อนไหวหรือการอดอย่างหาเหตุหาผลไม่ได้คือสักแต่ว่าอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ฝึกฝนด้วยจิตตะภาวนาเลยอย่างนี้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกเสียจากทำให้ทุกยากลำบากเปล่าเท่านั้น<อ>การอดอาหารของท่านมีความหมายตามตำราที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตด้วยเหตุผลคือท่านสังเกตพบว่าจริตนิสัยของท่านนั้นถูกกับการอดอาหารเพราะ ช่วยให้การบำเพ็ญจิตภาวนาจเจริญขึ้นได้เร็วกว่าขณะที่ออกฉันตามปกติท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นผลประจักษ์กับตนเองเป็นลำดับไปเช่นนี้ทำให้ท่านจึงยังมั่นคงที่จะใช้อุบายวิธีนี้เพื่อการภาวนาและ ถึงแม้จะมีผู้มาพูดคัดค้านต้านทานอย่างไรก็ไม่ทำให้ท่านลังเลใจคิดเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ครั้นจะอธิบายเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจก็ดูว่าเป็นเรื่องยืดยาวเสียเวลาโดยเปล่า เหตุนี้เองท่านจึงชอบที่จะตอบเป็นอุบายให้ได้นําไปคิดอ่านสําหรับอุบาสกผู้นี้ก็เช่นกันท่านตอบกลับไปว่าแล้วโยมกินทุกวันเหรอกินทุกวันนะสิผมไม่อดหรอกว่าดังนั้นแล้วท่านก็พูดใส่ปัญหาแก่อุบาสกผู้เข้าใจว่าตัวรู้เรื่องในตําราเป็นอย่างดีว่า แล้ ว, วยมได้ตรัสรู้ใหม่ ทุกเป็นครูเป็นหินลับสติปัญญาความเป็นนักต่อสู้ของท่านอีกประการหนึ่งก็คือแม้อุบายวิธีบางอย่างจะทำให้ท่านต้องพบกับความทุกข์แสนสาหัสแต่หากผลปรากฏ เป็นความเจริญทางด้านจิตใจมากขึ้นท่านก็จะพยายามอดทนต่อสู้ให้ผ่านไปให้จงได้คำกล่าวตอนหนึ่งของท่านกับพระเนนดังนี้นิสัยของผมเอง น, นเป็นนิสัยที่หยาบจะว่าคนหยาบก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดี ผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏหนักแต่หากเป็นบางสถานที่แล้วกลับทำให้ทำพายในใ จ, จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจึงมักสแสวงหาในที่กลัวๆเสมอทั้งๆ ท, ที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาล เราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าอยู่บำเพ็ญเพื่อธรรมด้วยเหตุนี้ท่านจึงนิยมใช้อุบายฝึกจิตด้วยการเข้าป่าชาา้าเผาหรือฝังคนตายบ้างในถ้ำเงื้อผาป่าดงบ้างในดงที่เป็นที่อยู่ของช้างหมีเสือ หรือสัตว์ ร, ร้ายต่างๆบ้างอาศัยสัตว์เหล่านั้นเป็นครูท่านออกวิเวกบางสถานที่เป็นที่ที่เสือมักชอบผ่านมาหรือเป็นที่อาศัยของมันในบริเวณใกล้ๆกันนั้นแม้ว่าจะเดินหรือนั่งตรงไหนอย่างไรก็คิดกลัวอยู่ตลอดเวลา มันคงจะอยู่ใกล้ๆหรือกลัวว่ามันจะมากัดกินท่านเคยเล่าถึงสถานที่เช่นนี้ว่าน่ากลัวจริงๆกลางวันก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตยิ่งนีแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวนั่งก็กลัวเดินจงกรม กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นก็เดิน ท, ทั้งทั้งที่กลกหลัวนั่นเองท่านเล่าถึงคราวเข้าไปดัดตัวเองที่ป่าเสือแห่งหนึ่งดังนี้อยู่ในป่าในเขามันตื่นเต้นแต่ก่อนเป็นป่าพวกสัตว์พวกเสือเนื้อร้ายเต็มไปหมดจริงๆก้าวเข้าทางนี้ปั๊บเป็นป่าแล้วมีสัตว์แล้ว พวกสัตว์พวกเนื้อพวกอีเก้งพวกหมูพอลึกเข้าไปก็พวกวางพวกช้างพวกเสือเสือมีอยู่ทั่วไปสัตว์มีอยู่ที่ไหนเสือมีอยู่ที่นั่นมีอยู่ทั่วไปบางทีก็เสียงเสืออ้าวอาวขึ้นแล้วอาวๆขึ้นข้างทางจงกลมโถ เสียงเสือมันไม่เหมือนเสียงเพลงลูกทุ่งนะสิมันจะงับหัวเอาประมาทได้หรอเสียงออาวๆขึ้นข้างๆไม่รู้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนมันหยุดเสียงคำรามมันอาวตามภาษาของมันแล้วนั่นล่ละมันน่ากลัวตอนนั้นไม่ทราบมันจะมาแบบไหนสิได้ยินเสียงมันอยู่มันอยู่ตรงนั้น ก็ค่อยยังชั่วนะพอเงียบเสียงไปแล้วไม่ทราบจะมาแบบไหนเราไปอยู่ในที่ดัดสันดานจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะมีแต่ที่ดัดสันดานทั้งนั้นแหละป่าก็ปาก่าเสือกลางคืนเวลาเราเดินจงกรมมันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วยิ่งเสียงเสือด้วยนะเราไปอยู่แคล่ตอนตื่นเช้ามา เห็นรอยมันผ่านไปทางนี้แล้วฉากออกไปเพราะเราปัดก่าดไว้เรียบร้อยมันเดินผ่านไปผ่านมามันก็เห็นโอ้เสือมามาเมื่อไรไม่รู้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจกับเราเขาเดินฉากไปเฉยเฉยแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจกับเราเขาไปตามประสาของเขา เราก็รู้ถ้ามันเดินวกเวียนนี่สนใจนะมันสนใจถ้าพอทำหมายถึงเสือกัดกินมันก็อาจจะทำอย่างว่านะนี่ไม่มีไม่เคยปรากฏเราเองก็ไม่เคยปรากฏเสือจริงๆก็ไม่เคยเห็นในป่าแต่เสียงมันมีอยู่ทั่วไปกระหึ่มกระหึ่มโอ้ ผนนี้ไม่ทราบว่ามลุกสู้ผึง่งเหมือนจรวดดาวเทียมมันเป็นเองนะไม่ทราบว่ากลัวไม่กลัวมันลุกสู้จิตหดเข้ามาหันเข้ามาสมมุติว่าอยู่ในขั้นบริกรรมพุทโธก็ติดกับพุทโธไม่ให้ออกไปหาเสือความคิดนี้จะไปคว้าเอาพิษเอาภัยเอาอารมณ์ไม่ดีงามเช่น อย่างกลัวอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายอันหนึ่งต้องคิดอย่างนั้นไม่ให้ออกหมุนติ้วนั่งมันเป็นอย่างนั้น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 สู้ดเดือประสบการณ์การเที่ยววิเวกของท่านทำให้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับสัตว์ป่าหลายอย่างเป็นต้นว่าท่านเคยเล่าการต่อสู้ระหวา่างเสือกับหมูป่าทั้งคู่ นอนตายอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันสภาพหมูป่าตามตัวแหลกหมดส่วนเสือก็พุงทะลุหมดด้วยเหตุเพราะไปเจอกันอย่างจังในช่องเขานังมีมันเป็นร่องลงมาภูเขามันมีช่องลง ช่องแคบๆนะทางโน้นเป็นหลังเขาที่จากหลังเขาลงมามันก็เป็นช่องแคบลงมาทีน่นี้พอดีไอ้หมูก็ขึ้นช่องนี้หมูใหญ่นะมันเห็นการชัดๆอย่างนั้นนะไอ้เสือก็ลงมาช่องนั้นพอดอีมาพบกันตรงกลางนั้นเลยฟัดกันเลยนั่นเห็นไหมลนะ่ะไลทัที่สอง หมูตายอยู่กับพี่เสือเสือพลานขึ้นไปตายข้างนตายทั้งสองเลยนั่นแหละอย่างนั้นกำลังวังชามันฟัดกันมึงไปถูกที่ผักขันด้วยแล้วต่างคนต่างไม่ถอยกันสู้กันเลยสุดท้ายก็าตายทั้งสองเลยหมูตายอยู่กับพี่ส่วนเสือตะเกียกตะกายขึ้นไปนั้น ก็ไปตายอยู่ที่นั่นพุ่งทะลุหมดเลยลำไส้หิบลิวออกมาทะลุหมดส่วนหมูก็ตามเนื้อตามตัวแหลกหมดเสือกห้เสือก็พุ่งทะลุหมดหมูดันมันทำอย่างนี้นะหมูมันทาอย่างนี้สมมติว่ามันดันอย่างนี้ไม่ใช่ตกง่า ย, ายนะมันขิดขิดตลอดเลยนะ นี่ก็าตายอย่างนั้นแหละมันไม่ถอยกันง่ายๆที่เสือกัดมันได้เฉพาะเวลามันเผลอถ้าเป็นหมูใหญ่หมูทวนอย่างนั้นเวลามันผ่านไปผ่านมาเราถึงฟังเสียงรู้หมูนี้รู้สึกว่าไม่ขยับคลั้นคลามต่ออะไรเสียงดังโครมครามโครมครามโครมครามร ม, ร ม, ร ม, มา ไม่ได้เก็บสียงนะขัวหูตาเป็นฝุ่นนี้เสียงดังเหมือนกันสมาธิ แน่นหนามั่นคงติดสุขในสมาธิย้อนกลับมากล่าวถึงการโหมความผ้าเพียนในพรรษาที่สิบของดุงตาจนทำให้ผลแห่งสมาธิธรรมของท่านในระยะนั้น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 จากการที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านรําคาญไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไรเลยตาก็ไม่อยากดูหมูก็ไม่อยากฟังเพราะมันเป็นการยุ่งวกวนรบกวนจิตใจให้กระเพื่อมปเปล่าๆแต่มีความพอใจยินดีอยู่กับการที่จิตยังเข้าสู่ความรู้อันเดียว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 ไต่ถามผู้รู้